ปันนี้จะแก้ไขพระอัฏฐังกิกรรมักอันเป็นโลกีตามอันมีในนิทานชาดกเป็นสุดตันตปาริยายให้แจ้งในมรรคละอันละอันนั้นนักปราดผู้มีปัญญาพึงรู้ดุดกล่าวในเบื้องหน้านี้เถิดสัมมาทิฏฐิอันเป็นโลกีนั้นคือปัญญาอันรู้คุณพระรัตนนตรยัยดุดนิทานอันมีในธรรมบทว่าทุเวกุมารา ยังมีกุมานสองคนอยู่ในเมืองสาวัตถีกุมารผู้หนึ่งเป็นลูกสัมมาทิฐิกุมารผู้หนึ่งเป็นลูกมิจฉาทิฐิกุมารทั้งสองนี้ย่อมเล่นคลุบด้วยกันทุกวันกุมารผู้เป็นลูกสัมมาทิฐิเมื่อจะกลิ้งลูกคลุบไปนั้นก็ระลึกถึงคุณสมเด็จพระสันเพชร พ, พุทธเจ้าว่าอิติปิโสภควาเป็นอาทิดังนี้แล้ว ก็กล่าวว่านามโมพุทธะและจึงสัตว์ลูกคลุบหรือลูกคลีนั้นไปฝ่ายกุมารผู้เป็นลูกมิจฉาทิฐินั้นคิดถึงคุณแห่งเิรธีแล้วก็กล่าวถ้อยคําว่านามโมติทิยานังดังนี้แล้วจึงสัตว์ลูกคลุบนั้นไปกิริยาว่ากุมารที่เป็นลูกสมาธิฐินั้นมีชัยชนะทุกครั้ง กูมานผู้เป็นลูกมิจฉาทิฐินั้นแพ้ทุกครั้งทุกหนและเนื้อความนี้มีอธิบายว่าบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสมาธิฐนั้นยอมชนะแก่ผู้ที่ถือมิจฉาทิฐิอีกประการหนึ่งบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสมาธิฐิยอมพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีอาธิคือมนุษย์อันตรายนั้น มีแนนิทานชาดวกว่าเอกาธิวสังณพิลาการวันหนึ่งบิดาของกุมารผู้เป็นสมมาธิฐินั้นจึงพาเอากุมารผู้เป็นบุตรของอัตมานั้นใส่เกวียนออกไปตัดฟืนในป่าแห่งหนึ่งครั้นตัดฟืนได้แล้วก็กลับเข็นฟืนเข้ามาถึงป่าช้าแห่งหนึ่งณภายนอกพระนครก็ปลงเกวียนหยุดปล่อยโคให้ไปกินหญ้า โคนั้นก็หนีเข้าไปในเมืองบิดานั้นจึงยังลูกชายของอัตมาให้อยู่เฝ้าเกวียนแล้วก็ติดตามโคเข้าไปในเมืองครั้นจับโคได้แล้วก็กลับออกมาถึงประตูเมืองเป็นเวลาคำ่ำทวาระปาโลคนผู้รักษาประตูเมืองนั้นก็ปิดประตูไว้และบิดาของกูมานผู้นั้นจะออกไปหาลูกก็ไปไม่ได้ กูมานั้นก็อยู่ในเกวียนแต่ผู้เดียวคอยบิดาอยู่ก็ไม่ได้เห็นออกมากูมานั้นก็ระลึกถึงพระคุณสมเด็จพระสันเพชพุทธเจ้าอยู่เนืองๆมีอาธิคืออิติปิโสภคะวาดังนี้แล้วก็นอนหลับไปทเวยักขายังมียักษ์สองตนตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฐิตนนึงเป็นมิจฉาทิฐิ ยักษ์สองตนนี้เที่ยวหาอาหารมาในเวลาราตรีครั้นเห็นกุมานั้นหลับอยู่ในเกวียนยักษ์ผู้เป็นมิชาทิฐีนั้นจึงว่าแกสหายผู้เป็นสมมาทิฐีว่าดูก่อนสหายเราจะเอากุมารผู้นี้เป็นอาหารเถิดยักษ์สมมาทิฐีนั้นก็ห้ามยักษ์มิชาทิฐีว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ควรยักษ์มิชาทิฐีก็มิได้ฟัง ก็เข้าจับเอาเท้าทั้งสองของกุมารกุมาร น, นั้นก็เตื่นขึ้นจึงระลึกถึงพระพุทธคุณว่านมโมพุทธสะนมโมพุทธสะดังนี้ยักษ์ผู้นั้นก็ตกใจวางเท้ากุมารเสียแล้วก็ถอยออกไปยักษ์สัมมาทิฐิจึงว่าท่านกระทำไม่สมควรเราควรจะลงธนกรรมแก่ท่านท่านจงไปเที่ยวแสวงหาอาหารมาให้แก่กุมาร น, นี้ ว่าแล้วยักษ์สัมมาทิฐิก็อยู่เฝ้ากุมานั้นยักษ์ผู้เป็นมิจฉาทิฐิก็เหาะไปในพระราชวังเอาเครื่องพระสุธาโพชนเข้าหอมที่ใส่พระสุพรรณภาดแล้วก็นำมามาตาปิโตเวสังคเหตวายักษ์ทั้งสองตนนั้นก็เอาเพศเป็นมารดาบิดาของกุมานให้กุมานนั้นกินโภชนาหารแล้วจึงจา่าฤกษ์อักษรลงไว้ในภาชนะ แล้วก็อธิฐานด้วยอนุภาพแห่งยักษ์ว่าให้แต่พระมหากษัตราธิที่ราชพระองค์เดียวล่เห็นอักษรนี้บุคคลผู้อื่นอย่าได้แล่เห็นเลยอธิฐานชนี้แล้วก็เอาสุพรรณภาธนั้นใส่ไว้ในเกวียนแล้วก็ไปอุณาทิวเสครั้นเวลารุ่งเช้าชนทั้งหลายก็โจทย์กันเซงแซ่ว่าพระสุพรรณภาธของหลวงหาย จึงให้คนหาทั่วทั้งในเมืองและนอกเมืองก็ได้พระสุพรรณภาศในเกวียนแห่งกุมาร น, นั้นจึงนําเอาพระสุพรรณภาศกับตัวกุมาร น, นั้นเข้าไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าปเสนที่โกศนราชพระเจ้าปเสนที่โกศนราช ท, ทอดพระเนตรเห็นหนักษร น, นั้นรู้แจ้งแล้วจึงให้ถามกุมารกุมารก็บอกว่ามารดาบิดาใส่โภชนาหารมาให้กิน สมเด็จพระเจ้าปเสนที่โกศลราชจึงพาเอากุมารกับทั้งบิดาออกมานมัส ก, การสมเด็จพระศาสดาจารย์และจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดิภาพแต่พุทธานุสติสิ่งเดียวนี้รักษาไว้ซึ่งสัตว์ให้พ้นอันตรายได้หรือหรือว่าธรรมานุสติก็รักษาสัตว์ให้พ้นอันตรายได้สมเด็จพระสันเพชร พระองค์จึงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่ามหาราชดูก่อนมหาบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐจิตอันบุคคลเจริญด้วยอนุสติทั้งหกประการนี้ก็ย่อมรักษาผู้นั้นให้พ้นอันตรายได้แล้วมีพระพุทธดีกาตรัสพระธรรมเทศนาอธาิบายในบายพระคถาว่ามหาราชดูก่อนบพิษ พระราชสมผานผู้ประเสริฐสติอันระลึกถึงตถาคตว่าอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นอาธิดังนี้ก็ดีสติอันระลึกถึงพระธรรมคุณว่าสวาคขาโตภะควาตาธมโมเป็นอาธิดังนี้ก็ดีสติอันระลึกถึงพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆเป็นอาธิดังนี้ก็ดี สติอันระลึกถึงกายคตาสติภาวนาวา่าเกสาโลมาเป็นอาธิดังนี้ก็ดีสติอันระลึกถึงกรุณาภาวนาวา่าสัพเพสัตตาทุก ข, ขาประมุดจันติเป็นอาธิดังนี้ก็ดีสติอันระลึกถึงเมตตาภาวนาวา่าสัพเพสัตตาอเวราโหนตุเป็นอาธิดังนี้ก็ดี อนุสติทั้งหกประการนี้แม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดมั่นอยู่ในสันดานแห่งบุคคลผู้ใดในกลางวันก็ดีในกลางคืนก็ดีสิ่นการทั้งปวงนั้นก็ดีแม้แต่ละวันละสามหนและห น, หนึ่งก็ดีบุคคลผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกแห่งตาคาคตอนหนึ่งเล่าบุคคลทั้งหลายนอนหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดี ก็ได้ชื่อว่าตื่นด้วยดีเป็นนิจการย่อมพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนั้นนิทานนี้แสดงอัตถาว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยปัญญารู้จักคุณพระรัตนตรัยและเจริญอนุสติภาวนาหกประการดังนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิอันเป็นโลกี อีกประการหนึ่งปัญญาอันลาเสียซึ่งมิชาทิฏฐิทั้งปวงนั้นก็ได้ชื่อว่าสมาทิฏฐิและมิชาทิฏฐินั้นถือผิดเป็นชอบนัตถิทานังถือว่าให้ทานนี้หาผลมิได้นัตถิยิทธังถือว่าบูชาสักการะทั้งปวงนี้หาผลมิได้ และถือว่าวิบากแห่งกรรมทั้งหลายอันกระทาดีและกระทาชั่วก็หาผลมิได้นัตติอยังโลโกถือว่าโลกนี้ก็หาไม่ได้นัตติปรโลโกถือว่าปรโลกนั้นก็หาไม่ได้คือไม่มีปรโลกนัตติมาตาปฏิบัติมานดาก็หาผลมิได้ นัตถิปีตาปฏิบัติบิดาก็หาผลมิได้นัตถิสมณพรามนาสมณะก็ดีพราหมณะก็ดีอนรังนับบาปและปฏิบัติด้วยดีจะกระทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และปรดโลกด้วยปัญญาแห่งอัตมาแล้วคือแห่งตนแล้วและยังผู้อื่นให้รู้นั้นก็หาผลมิได้ จะให้ทานจะบูชาแก่สมณพราหมณ์อันระงับบาปและปฏิบัติดังนี้แลรู้ซึ่งโลกนี้และปอรโลกด้วยปัญญาแห่งอัตมาแล้วและบอกแก่ผู้อื่นให้รู้นั้นก็หาผลมิได้ภาลาจะบัณฑิตาจะชนทั้งหลายอันหาปัญญามิได้ก็ดีอันมีปัญญาก็ดีครั้นถึงมรณาการแล้วก็ขาดทีเดียวมิได้บังเกิดไปในเบื้องหน้านั้น บุคคลจำพวกนี้ชื่อว่ามิชาทิฏฐิและบุคคลอันรู้จักผลทานและผลแห่งบูชาและผลปฏิบัติแก่มารดาบีดาสมณพราหม์อันประกอบไปด้วยศีลาที่คุณเป็นอาทิดังนี้ได้ชื่อว่าตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิแกไขในบทสัมมาทิฏฐิอันเป็นโลกิยะก็ยุติแต่เท่านี้